เคยทำดีไหมแล้วยึดดีถือดีไหมถ้าทำดียึดดีถือดีอวดดีเขาว่าดีแตกคุณเคย เห็นคนดีแตกไหมเคยเห็นไหมดีแตกมั้ยๆไปทานไปๆว่าของอี อะไรว่าดีแตกนะ มั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าตรัสง่ายๆพวกคุณเคยได้บุญสําเร็จด้วยการให้พระพุทธเจ้าไม่ได้ ให้เดี๋ยวตามไปยึดถือใช่มั้ย ไอ้ผลมันไม่เกิด สติศรัทธาวิริยะความเพียร กองบุญน่ะวันนี้นะวก เขาจะเป็นธาตุแต่รู้ไหม พวกคุณหลับตาสินั่งหลับตา เห็นหมดใช่มั้ยลองเข้าไปที่นอนของ คนที่ไปบ้านเมื่อกี้นี้กับคนที่นั่งอยู่นี้อัน ใครว่าคนที่ไปบ้านเมื่อกี้นี้ สูงขนาดไหนสูงขนาดที่เราไม่สามารถที่ จะเป็นเดือนๆเนาะทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วพวกเราหมดไปกี่กิกระสอบอ่ะไม่ สุดท้ายร่างกายอันนี้ไปไหนเข้า เกิดปัญหานี้เพราะอะไรสิ่ง ถ้าผมตายให้เผา หมานี่จะเฝ้าที่ไหนฝังที่ไหนก็ได้เลย ส่วนจิตใจนั้นน่ะเค้ากินอะไร กายเป็นผู้รู้ว่าอร่อยหรือ ถ้ากายไม่ขับรถไป คิดใจได้อะไรได้ความเท่ ขณะผู้เป็นเจ้าของยังๆเรื่องเป็นๆเรื่องนี้เรื่อง 5 เรื่องนะส่วนมากจะเป็นเนี่ยเขา นาคนอื่นใน ถ้าเราจะโทษใครโทษตัวเองเราชาติหน้าเราลง จิตรักษากายมันก็เลยเป็น เราจะพูดเราจะทําลงไปในทาง ควร 3 ทางๆคาถาเนี่ยก็อยากให้พวกคุณ ความชั่วจะมาไม่ถึงใจพอเข้าใจมั้ย พวกคุณไม่ได้ไปทํางานนอนอยู่ ผมไม่มีคําว่าพักสักหน่อยเนาะไม่มี ก็สตินี่แหละจะพาเราไปรู้จักกับจิตใจแล้วก็ไปห้ามจิตใจของเราได้สติตัวเนี้ย สติตัวเนี้ยแหละจะทําให้เรารู้จักจิตดวงนี้ว่าอยู่ที่ไหนถ้าเราดึกสติบวก อ่ะกับกิริยาของตัวเองให้เต็มวันกําลังทําอันนี้อยู่นะกําลังทําอันนี้อยู่นะไม่ได้จู่ๆได้พยายามมองเท้ามองมือของตัวเองหยิบนั้นหยิบนี้ทํานั้นทํานี้จิต อีกเขาจะออกไปไม่ได้เลยเขาก็จะอยู่เป็นเพื่อนเราตลอดเพราะฉะนั้นให้พวกเรา สติตัวเนี้ยถ้าเรามันระลึกของตัวเขาอยู่เรื่อยๆเนี่ยเขาจะเพิ่มพัฒนาตัวของเขาโดยการเพิ่มพลังได้เร็ว เขาจะนอนอยู่เฉยๆน่ะพวกเราเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้ามีสติมั้ยมีมั้ยเอาอย่างงี้พวกเราเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าสติอยู่ สนใจในการเห็นเขาก็จะมา ปกติแล้วสติของพวกเราไม่มีงานทํานะเพราะเสร็จ เสร็จแล้วการเขาก็ไปแล้วทั้งไปทั้งมา อันนี้เค้าเรียกว่าสติธรรมชาติจิตใจธรรมชาติก็รู้แล้วใช่ เราจะซื้ออะไรสักสิ่งสักอย่าง 2 ตัวนี้ เขาเป็นอยู่อย่างนี้เขาเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ย การปฏิบัติธรรมที่เพื่อที่จะให้เป็นพระ คุณเคยตั้งสติไหมตั้งสติแล้วก็พยายามใช้ นี่แหละคือเรา เมื่อตัดพบแต่ชาติแห่งห้วนเข้ามาห้วนเข้ามาก็คือวิชา ถ้าไม่มีวิชาทางศาสนามาออกมาแล้วจะปราบมัน นั่งเขาออกไปแล้วก็ดึงมาสู้กับตัวนี้แหละโชว์ออกไปแล้วก็ดึงมา เรเรานั่งกำหนดปุ๊บนี่ฌานเกิดเลยน่ะฌานเกิดเลยแต่ มะพร้าวต้องมีเนื้อใช่มั้ยถ้าเอาเนื้ออันฮะถ้าเอาเนื้อมะพร้าว ไก่กันมั้ยสมาธิคือเนื้อมะพร้าวธาตุคือกติอยู่ในที่ การที่จะเอาจิตของเรามาบำรุง คือการภาวนาไม่มีอริยบท 4 อริยบทนะยืน 5 ก็ คุณเจอเอาหัวตั้งแล้วเอาขาขึ้น การทำงานทางด้านจิตใจเราอยากจะบอกพวกคุณว่าไม่ แค่นี้จบนอกไปกว่าๆกันรักษาได้ 2 ชั่วโมง 2 อันนี้เราได้ 5 นาที 10 นาทีมันพอมั้ยไม่พอเมื่อไม่พอแล้วต้องการอยากๆ แล้วก็ให้ได้บ่อยๆสตินี้พากันตั้งสติอยู่บ่อยๆไม่ได้ไม่ได้ มีแต่รู้สึกตัวเดียวเท่านั้นอยู่ในนั้นถ้าเป็นลักษณะนี้ๆคือจิต จิตคือจิตไม่ได้คิดคือคิด ความคิดที่ไม่ได้คิดนี่จะเป็นประโยชน์ อันนี้จะเป็นเป็นคุณต่อจิตใจเอ๊ะ จิตกับสติของพวกคุณอยู่นี้หมดอ่ะจิตกับสติของพวก ได้มั้ยมีอารมณ์เจือปนมั้ยนี่แหละให้มันอยู่ เป็นความรู้สึกความรู้สึกเรากําหนดความรู้สึก จิตใจของตัวเองออกมาจากดงอารมณ์เข้าใจมั้ยเดี๋ยวนี้จิต นั้นคือดงอารมณ์นอกจากความโกรธมาเค้าก็มาแล้วถ้าไม่มีร่างกายอัน จิตใจดูร่างกายเป็นพระอรหันต์กี่ด้วยกายเพราะฉะนั้น ชายต้องเป็นสถานที่ทํางานใช่มั้ยเพราะฉะนั้นถ้า รักษาถูกวิธีถูกวิธีใครเคยได้ยินพระ จนเป็นบ้าผ้าท่อนทอนสมัยไม่เอา ระหนางก็ไปเลยนางก็ไปอ้าวพระพุทธเจ้าก็เล็งญาณดูก็ได้รับทราบความดีหลายๆอย่างก็อย่าไปไล่นางปล่อยนาง ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะให้มันเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีหรอกมีแต่แก่เป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต เมธีมก็เป็นทุกอย่างที่โยมกําลังเผชิญอยู่นี้แหละเอ้าไม่มีอะไร ถามพระเนนว่าใครมี ก็หมดเป็นภิกษุณีสุดท้ายได้สําเร็จเป็น เป็นสมาธิแล้วก็ถอนออกมาเราก็ ดาวดกดายได้ประโยชน์จากพวกคุณส่วนหนึ่ง พวกคุณพยายามเอาคํา เพราะ พอมันอยู่ตรงนี้ของพอเรามันอยู่ตรงนี้เมื่อเพียงพอพอสาเหตุความ อยากร่ําอยากรวยก็เลยมีการๆที่ดินแดนของความเป็น พยายามคุณอย่าไปคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงอย่าไปคิดว่า ระดับ 1 ระถึงมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ถ้าไม่มีศรัทธาในโอแล้วเหลือก่อนหมดเวลาเนี่ยรับรองว่าศรัทธา 100% เลยน่ะผลของการปฏิบัติจะปลูกศรัทธานั่นน่ะศรัทธาที่ ผลของโอ้โหศรัทธาเต็มเปี่ยมใครบอกว่าอย่านั่งสมาธิอย่าเดินจงกรมอย่าภาวนานี่ภูมิ บวชเฉยได้ได้เลยเดี๋ยวนี้เราเป็นความทุกข์เพราะใครความทุกข์ที่เกิด ใจเราไปคว้ามาเองใช่มั้ยคว้าเองเสพเองทุกข์เองคว้าเองเสพเองสุขเองดังนั้นมันถึงมีการหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ ต้องมีการบำรุงรักษาให้ถูกต้องถูกวิธีเราได้ประโยชน์มากนะการบํารุงรักษาให้ถูกต้อง เพราะเราทํางานจุดเดียวได้ ได้ความสะอาดของโอ้คุณค่ามันเยอะนะพระ จากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมื่อมีเอ้อถ้าคณะบ่าว มันจะไปยังไงมันจะหายจมไปเดี๋ยวเนี้ยศาสนาไม่ใช่เรื่องของ เกิดไตรลักษณะญาณเกิดขึ้นเกิดขึ้นถ้ารู้การปฏิบัติ มีชั่วกลายเป็นบาปเป็นบุญสิงสถิตอยู่ในใจจิตใจที่เดียว พวกเราจะขาดทุนนะเราจะขาดทุนนะพวกจะ ทำยังไงจะไม่ให้มันเข้ามาใกล้เราหลักการของทางศาสนาทั้ง ศีลปัตตะโอเคไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านนี้มันเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นทุกคนก็มีกาย นามธรรมเมื่อเป็นสมบัติของใจมันก็เป็นฐานะของ ใจที่ไม่คือเก็บป่วยอยู่บ่อยๆเวียนหัวอยู่บ่อยๆหน้ามืดอยู่บ่อยโรคมะเร็งอย่า ทั้งหมดไม่ใช่นะส่วนนึงที่เราเกลียดอยู่บ่อยๆทางด้านจิตใจเกลียดคนอื่นอยู่บ่อยๆทาง บำรุงจิตโรคส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าไม่ ถ้าพวกเราๆใกล้ความๆนะอย่าบอกให้อย่าคิดด้วยการอย่าตั้ง คือโยมปฏิบัติไปก่อนหน้าเวลามีความรู้สึกเข้ามามันเข้ามาที่ฐานจิตอ่ะค่ะอะไรก็ คือมาที่ฐานจิตเลยหรือ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ทําให้เราไม่เป็นสิ่งการ รู้อารมณ์ข้างนอกหรือว่าการเห็นนั้นเห็นนี้นี่โอ้ยังยังนอกอยู่นะถ้ารู้อยู่กับความคือใช่เลยคือหนูก็กําภะคือคือคือบางทีอ่ะค่ะ รู้ว่ากรรมอยู่อย่างนี้ค่ะเราก็เข้าใจนะว่ากรรมอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เข้าใจอ่ะตาย สำเร็จไม่สำเร็จก็ช่างหัวมันปฏิบัติทําให้ตายเลย จิตเป็นๆอย่างโดยเฉพาะปัญญาเข้าไปสนามปัญญาใช่มั้ยตัวนี้ปัญญารู้ ไม่ได้คิดแต่ลักษณะของความคิดของเขาไปเองได้คิดแต่ลักษณะของความคิดหวงดูถ้าความรู้ ถ้าเรายังคิดเรื่องนอกอยู่นี้ไม่ ถ้าไม่มีสิ่งที่จะให้คิดเรื่องครอบครัวก็ตัดไปมี จิตเป็นเด็กให้เราเลี้ยงเนี่ยตายแล้วถ้าถ้าจิตมันเป็นเด็กอ่อนน่ะ จิตเจยังไม่ได้เสพรสชาติของอาหารเลยท่านจิตเป็นเป็นเด็กให้พวกเรามาบำรุงรักษาหรือว่าเป็นแม่เลี้ยงนางนมเอ้อมัน เอาสัตว์นี่ให้ให้ถูกเวลาให้อาหารให้ถูกเวลาให้หลับให้นอนให้ กินก็มันเป็นถ่ายหนักถ่ายเบาก็ไม่เป็นดื่มน้ําก็ไม่เป็น อาหารความรู้สึกนี้ครบถ้วนในบรรดาอาหาร จิตใจมีพลังขึ้นมามันพร้อมที่จะกระทบหลายตัณหาอวิชชาอุปาทานทัน Zeg okay, je